อย่ายอดข้อต่อความลําบากลําบากเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องงูเรื่องตาเรื่องแขนเรื่องขามันลําบากหมดนั่นแหละถ้าเราจะไปนึกว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนั่นแหะเรื่องความลําบากมันมีมากมีอยู่ทั่วไปอย่ากลัวอย่าไปเดือดร้อนกับเขาเราที่ผ่านมานะเราไปเที่ยวเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้แหละจนเสียว เ, วเวลา เวลาไปมากมายครูบาอาจารย์นั้นบอกบางทีบางคนนะ่ะมาบ่นกับท่านว่าพรรษาที่แล้วผมป่วยทั้งพรรษาเลยไม่มีเวลาภาวนานั่นคำพูดดูีินะผมป่วยทั้งพรรษาเลยไม่มีเวลาภาวนาท่นว่ายอย่างนั้นแล้วคือในที่สุดความลำบากต่างๆก็เป็นเหตุ ให้ความคิดอ่านในการจะภาวนามันก็เพี้ยนไปเลยมีความคิดอยู่ว่าการภาวนาคือการพลังกายแข็งแรงแล้วไปเดินจงกลมแล้วไปนั่งสมาธิมีควางคิดอย่างนั้นอันนั้นมันถูกอยู่เหมือนกันนะมันถูกเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ความจริงภาวนาคือการกําหนดที่จิตที่ใจ ก็เมื่ อ, อไรที่เรามีจิตอยู่มีใจอยู่คือยังไม่ตายอันนี้เราภาวนาได้ตลอดไม่ต้องไปเลือกนะะไม่ต้องไปเลือกสถานการณ์ไม่ต้องไปเลือกเวลาเวลาละถ้าเรารู้อยู่ตอนนี้ลองดูที่ว่าไหนเราตายหรื อ, อยังเออยังไม่ตายอา้า อ, อ, อันนี้ก็ดูซิอนนียเรานั่งอยู่หรือเอ อ, เ, อ, อเรานั่งอยู่ หายใจไหมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกนี่เราดูอยู่ตรงเนี้รู้อยู่นี่อันนี้แหละเป็นภาวนาด้วยการทําแบบนี้แหละจะทําให้จิตใจมีกําลังจิตใจมีหลักมีเกณฑ์จิตใจมีสติมีทัมปชัญญะมีสมาธิมีความเฉลียวฉลาดปัญญาเพราะโดยการทําอย่างนี้แหละทําอย่างนี้ ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบลักษณะหรอกการที่เรามีรูปแบบอย่างเช่นว่าเรามา ท, าทําวัดสวดมนต์ต่อจากนั่นก็มีการนั่งภาวนามีการฟังเทศของหลวงปู่อย่างเนี้ยมา น, นั่งอย่างนี้ขาขวาทัาขาใต้มือขาท่ามือใต้อะไรเหล่เนี่ยมันเป็นเพียงรูปแบบเฉยๆหรอกเฉพาะสําหรับผู้บุคคลผู้ฝึกหัดที่ยังไม่รู้จักเรื่องภาวนาที่ยังไม่เป็นไม่เคย หรือเป็นเบื้องต้นๆ น, นั่นแหละคือผู้ยังไม่รู้จักต้องทำอย่างนี้ซะก่อนให้อยู่ในรูปแบบแต่ถ้าเข้าใจแล้วว่าการภาวนาคือจะทำยังไงไม่นั่งคาสมาขาขวาทักขาใต้มือขวาทำมือใต้ก็ได้นั่งพับเทียบ ก, ก็ได้นั่งเก้าอี้ย่อนเท้าอยู่ก็ได้นั่ง ย, งยองอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ เดินอยู่ก็ยังทําได้คือเราทําอะไรอยู่เราก็กําหนดเราก็สังเกตแล้วก็ดูดูที่ตัวของเราเนี่ยดูกายแล้วก็ดูใจเนี่ยถ้าดูอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าการภาวนาผลที่มันจะเกิดตัคือจะเกิดแก่ใจใจจะมีหลักมีเกณฑ์ใจจะมีกําลังใจจะไม่เที่ยวเป็น่านไม่เที่ยวเป็นพันไม่ละไเงี้ได้ร่อนไป ใจก็จะมีกำลังใจก็จะมีคุณค่ามีราคามีความมั่นคงขึ้นแต่จิตใจมั่นคงขึ้นมาแล้วผลที่ตามมาก็คือ ค, อความร่มเย็นจิตใจที่เร่ร่อนไปในที่ต่างๆนั่นแหละเป็นเหตุให้บุคคลร่อนรุ่มร่อนรุ่มไปด้วยสิ่งต่างๆทั้งหมดนี่หลวงปู่ท่านบอกว่าทำใจเป็นกลางแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ก็คือทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบสงบจากอารมณ์อารมณ์ต่างๆน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งอารมณ์หมดสงบจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหรือจิตอยู่กับอารมณ์เดียวหรือจิตที่ไม่ไม่เพ่นพ่านไปไหนดิจิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้รับความสงบและได้รับความร่มเย็นดิมันดีขึ้นมาเยอะแล้วเห็นแล้ว จิตที่ไม่เป็นท่านไปไหนเนี่ยมันไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนนี่มันไม่เดือดไม่ร้อนไม่ทุกข์นี่เขาเรียกว่าสุขเอาเรียกว่าสุขก็เอาก็ได้เจอสุขแล้วความสุขนั้นเกิดจากความสงบนี่ท่านบอกไม่มีอะไรจะเหมือนจิตใจที่พ้นจากความแปรปรวนความแต่ใจไปตามอารมณ์คือจิตใจที่สงบได้รับความสุขซึ่งไม่มีความสุขที่ไหนที่ตั้งแต่เกิดมาแล้วไปเที่ยวสั้นหา น, านั้นหานี่มาต่าง ว่าเดี๋ยรับความสุขความพอใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นสุขนิดเดียวสุขเล็กเล็กน้อยน้อยไม่นานเลยสุขเหล่านั้นหมดถ้าสมมุติว่าพอใจนะพอใจกับสิ่งของต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ตัวหนามาได้มันมีความสุขนิดเดียวโดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้จักใช้อย่างที่หลวงปู่ท่านเทศน์กันเมื่อวานนี้ท่านบอกว่ามีตอนหนึ่งท่านบอกว่าคนเรา ไม่รู้จักได้อะไรมาผมไม่รู้จักได้ความสุขของอันนั้นคือไม่รู้จักหาความสุขจากสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เป็นผู้รู้จักประโยชน์ของสิ่งที่หามาได้แล้วแต่พวกเราไม่ค่อยจะรู้จักกันบางทียกตัวอย่างว่าเอาถ้าไปหาตะตุงสะตังมาต้องการสักพันบาท พอไปหามาได้พันบาทเนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจแล้วไม่ขันโดดโดูนั้นพูดถึงเรื่องขันโดดนั่นเองขันโดดแปลว่ามักน้อยให้ยินดีตำมีจำได้เนี่ยแอ้นี้แหละคนก็ไม่เข้าใจแหละอย่างเช่นว่าเราไปหามาได้สักพันบาทเอาตั้งใจไว้พันบาทสมใจแล้วหามาได้น่ะบางคนแทบจะไม่มีความสุขกับพันบาทนั้นเลย พอหามาได้แล้วจิตใจก็เพ่นผ่านไปเองแล้วอยากเกินไปกว่านั้นอีกแล้วอยากเกินไปกว่าพันบาทไม่พอใจยังไม่ยังไม่หยุดนี่งจิตใจยังเพ่นผ่านจะไปหาให้มันได้อีกสักพันเงินหรืออีกสักสี่พันห้าพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจึงจะสบายใจจึงจะดีใจจึงจะมีความสุขกอ่อนจะเมื่อไปหาได้จํานวนอย่างบ้าจริงๆแล้วก็ไม่มีสุขหรอกแต่ชักเดียวเดียวกบบทุกข์อยู่แล้วร้อนอยู่แล้วน อย่างนั้นเรียกว่าหาความสุขไม่ได้จากสิ่งที่สนขวขายแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาประพฤติปฏิบัติเองเช่นว่ากําหนดจิตกาหนดใจทำจิตใจให้ลงสู่ความนิ่งความสงบเป็นต่างๆอยู่ในนี้ได้คือจิตใจไม่เพ่นบ้านไม่ไปเที่ยวอยากไหนอื่นเนี่ยความร่มเย็นเกิดขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นอยากอันนี้ไม่มีอันไหรเหมือนอรู้สึกปากเปื่อยยินดีชื่นอกชื่นใจ เต็มอกเต็มใจยิ่งดีกว่าที่เราเคยขฝนไขหามาในชีวิตมากมายจิตใจที่อยู่เป็นกลางมันมีความสุขอย่างนี้นี่นี่เป็นกลางมีความสุขแล้วเพื่อต่อไปเราสามารถที่จะให้พ้นจากความยึดความมั่นความอะไรในสิ่งนั้นผูกพันในสิ่งนี้ถ้าสามารถปลดปล่อยวางออกเจะได้จากความผูกความรัง้งความดึง ไม่ว่าจากคิดไหนหมดไม่ว่าจากเรื่องไหนหมดวางได้หมดเทาเนี้จิตใจปลอดภัยแน่ปลอดภัดยจากความที่จะเเตออกไปจากกลางจิตใจอยู่เป็นกลางจิตใจอยู่สงบแน่เทาานี้สงบตลอดเวลาตลอดจา่าไม่ว่าอารมณ์อะไรจะมาหรือว่าความยึดมัน่นถือมั่นอะไรที่เคยปลูกเคยพันเคยรักเคยหวงกับทรัพย์สมบัติเคยรักเคยหวงกับ สเสียงเกียติยศใ้รักเคร่วงกับอยากติพี่น้องความอะไรอาวบอะไรต่างๆมันหมดไปสิ่งเหล่านั้นที่จะมารั่งมาดึงออกไปนะมันหมดเท่านี้แหละได้รับความสบายถึงที่สุดแล้วเพราะางั้นั้นการที่เราจะหาความสุขพอดีการที่จะหาความพ้นทุกข์พอดีการที่จะหาควา ม, วา ม, วามสบายให้มันสมกับที่เกิดมากับเขาแล้วชาตินึงเนี่ย ไม่มีอะไรจะดีเลยกว่ารักษาความสงบฝึกจิตฝึกใจทังต้นให้มันลงสู่ความสงบให้ได้สงบจากอารมณ์ก็ดีสงบจากความผูกความพันความรั้งความดึงความอะไรอาวอร์ต่างๆยิ่งดีใหญ่ที่สุดสงบจากความผูกความยึดความถือทัหดนั่นเป็นที่สุดของความทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราดาเนินไปนั้นเรามีทิศมีทางที่ชัดเจนชัดเจนของเราอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะมานี่เราจะมาเอาอะไรนะต้องเข้าใจให้มันถูกไว้เลยเสมอนะว่าเรามานไม่เอาไม่ใช่มาเอาแบบโลกนี้นเขามีแต่จะเอาถ้าเอาถ้าหามาได้แล้วจะมีความสุขเขาคิดอย่างนั้นบางทีพระพุทธเจ้าบอกให้มีสันโดดมักน้อยตามมีตามได้ก็ไปเห็นว่าท่านบอกให้งอมืองอทเท้าด้วย ให้กลับมามาภาวนามาประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราเนี่แหละทําอะไรไม่ได้โคจงคิดว่ามือก็ดีเท้าวกว็าดีหูก็ดีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมือเท้าอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาอันเนี้ยมาทําให้มันเกิดเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในการภาวนาย่อมได้ทําไมจะไม่ได้เอาไปทำสิ่งเร็วๆได้ร้ก็ยังทําได้ ทำไมจะมาเอามาทำดีๆไม่ได้บ้างในขณะที่สามารถจะทำได้อยู่เนี่ยทำไมจะไม่เอามาทำเสียต่อไว้มันจะพาทำเลยใน อ, อย่างเท้าเนี่ยมันจะพาเดินจงกรงเมเลย เ, เนี่ยมาทำเสียเอาเท้าเนี่ยมาพาเดินจงกรมขณะที่มันยังพาเดินได้อยู่เนี่ยเดินจงกรมเอาก้นเนี่ยมานั่งภาวนาเอามือเอาเท้าเนี่ยมาทำให้มันเกิดเป็นบุญ ตาเนี่ยก็เอามาทําให้มันเกิดเป็นบุญมาดูเขามาดูหนังสือหนังหามาอ่านหนังสือหนังหามาดูภาพอะไรต่างๆที่ให้มันเกิดจิตใจเบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลอยากภาวนาอยากทําจิตลงสู่ความสงบนุ่มเย็นหูก็เอาไปฟังเทพหลวงปู่มันก็เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเรามีอยู่อุปกรณ์ต่างๆเรามีอยู่พร้อมที่จะใช้ได้ขอแต่เพียงว่า ให้เราเข้าใจว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละขณะในวันวันหนึ่งเนี่ยพยายามน้อมสีต่างๆมาใชใ้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์เพื่อจะให้ใจลงสูส่ความสงบเพื่อจะให้ใจไม่เคร่นท้านเพื่อจะให้ใจนิ่งให้ใจมันเป็นกลางเป็นผูกทั้งนั้นเป็นภาวนาทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องดีดีที่สุดในชีวิตของพวกเราที่มา จะ ท, าทํามาค้าขายพอดีทำํำราชการงานเมืองก็ดีทําไรทา่ทํานาทํากติกาณกติกรกรรมอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น่ะสู้ภาวนาไม่ได้หรอกภาวนาเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราจะพกเอาคุณงามความดีต่างๆไปได้เราก็จะพกเอาไปที่ใจตอนนี้เมื่อใจจะดีขึ้นมาได้โดยการภาวนา จะเป็นจิตเป็นใจที่มีหลักมีเกณฑ์มีแก่นมีสารพอที่จะพกเอาความดีไปได้ก็ต้องเป็นใจที่จะรับการฝุดพอเมื่อเรามาฝุดนี่มันดีแล้วเนี่ยคุณงามความดีอะไรต่างๆจะเป็นทานก็ดีเป็นสิ้นก็ดีเจริญสมาธิภาวนาก็าดีกระทั่งจเจริญ น, นิพพานาภาวนาให้พ้นจากความฝุดความมัดอะไรก็คมมือหมายความเอาที่ใจเท่านั้นต่อไปนี้เรานั่ง ภาวนากาหนดคิดนิ่งอยู่ฟังฟังหลวงปู่หูเราก็มีแล้วฟังสิ่งที่ดีๆฟังอย่างอื่นก็ฟังมาเยอะแล้วแต่มันยังไม่ดีเห็นไหมมันยังไม่ดีมันยังไม่ให้ใจของเราเนี่ยเข็มแผ่นได้มีเรื่องอะไรมาที่ไม่ชอบก็ยังโกรธอยู่มีเรื่องอะไรที่ชอบมาหัวเลาะเออเอออกอักเพลิดเพลินเจริญเพลินเพลินใหม่นั่นมันยังไม่ดีใจยังไม่ดี เราฟังเทศเนี่ยล้วจิตใจจะอยู่สงบมันอยู่ตรงนี้